วที่เช้าหนึ่งท่านพระสารีบุตรไดกราบคุณพระพุทธเจ้า ว, ว่าความเป็นภูมีกรลยานมิตรความคล้อยตามสิ่งเป็นกรลยานมิตรเป็นคนมาจารย์ทั้งหมดพระพุทธเจา้าไดกิดทางสาธุ ก, การรับรอง ในคำกลับคุณของท่านอุษานีบุตรนั้นและก็ได้กอ่าไว้เป็นข้อหลักว่าควาวิชาคือความไม่รู้ในสัจะที่เป็นความจริง เป็นหัวหน้าเพื่อความมันเกิดขึ้นพร้อมสักแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย ให้มันเกิดอาธิริความไม่ละอายใจอ น, นุตับบาปาม่เกรงกลัวต่อบาบของกุศลธรรมทั้งหลายมิถาดิจือคือความเห็นผิด ย่อมีพร้อมแก่ปูที่มีอวิชชาวิชชาสังฆะมีความรมนี้ผิดย่อมมีแก่ปูที่มีมิชชาที่ผิดต่อความเห็นผิด มิจฉาวาจาเจเนจารพิทย์ย่อมมีแก่ภูที่มีมิจฉาสังอปปะนิมริพิดมิจฉากรรมกรรมกัจตางานผิดย่อมมีแก่ภูที่มีมิจฉาวาจาวาจาผิดมิจฉาอาชีวะยัชีวิตพิด ย่อมมีเก่ผู้ที่มีมิจฉากรรมจักการงานผิดสำมาวยามะเพียรผิดย่อมมีเต่ผู้ที่มีมิจฉาอาชีวะในชีวิตผิดมิจฉาสติระลึกผิดย่อมมีแต่ผู้ที่มีสำมาวยามะ มีมิจฉาอวัยมะเพียงผิดมิจฉาสมาธิตั้งใจผิดก็มีแต่ผู้ที่มีมิจฉาสติและลึกผิดดังนี้และก็จะจัดในทางตรงกันข้ามบ้าทมิจฉาคือความรู้ถูกต้องในสัจจะที่เป็นความจริง เป็นหัวหน้าเพื่อความมังกิดขึ้นพร้อมตั้งแห่งบุนธรรมทั้งหลายากับขั้นฮีริความละอายก ร, ร, ระจัอดตะปาความเป็นกลัวต่อบาปของกุศลธรรมทั้งหลายสมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบย่อมมีแต่ภูที่มีวิชาสมาสังกปะดัมฤกชอบย่อมมีแต่ภูที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสมาวาจาเจเ น, นจารชอบย่อมมีแต่ภูที่มีสัมมาสังกปะดํัรฤกชอบ สัมมากรรมตากายงานชอบย่อม so, มีแ ah ต่ภูที่มีสัมมาวาจาเป็นใชอบสัมมาอาชีวะเลีงชีวิตชอบย่อมมีแต่ภูที่มีสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาวายมะเป็นชอบย่อมมีแต่ภูที่มีสัมมาอาชีวะเล็นชีวิตชอบ สมาสติเลือดชอบย่อมมีแต่ผูที่มีสมาวิจิตรีชอบสมาสมาธิตั้งใจชอบย่อมมีแต่ผูที่มีสมาสติเลือดชอบหลังนี้เป็นอันได้ทรงแสดงมรรคว้องค์ตอดนี้งงงนยงกันไป เป็นมัตรสมาธิคือความเท่าเทียมขอ ง, งมักรฉะนั้นจุดสคำคัญที่สุดจึงอยู่ที่อวิชชากับวิชาอาวิชาคือควา ม, มรู้สัจจกที่เป็นตัวความจริง วิชาคือความรู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงเมื่อมีอวิชาซึ่งเป็นตัวความไม่รู้ในสัจษ์ที่เป็นความจริงก็ น, นำให้บังเกิดวิชามะคีธาปฏิบัติที่สิท ไปทุกข้อเมื่อมีวิชาที่ความรู้ในสัจจกที่เป็นดวควมจริย่อมนำให้เกิดตำมามักคือทางปฏิบัติที่ชอบคือมักไปอ้ค์แปไปทุกข้อ ดังนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้คือจู้จักจักที่เป็นความจริง ไม่เธอปฏิบัติเพื่อไม่รู้แต่จักที่เป็นรู้ความจริงและความรู้ในแจกที่เป็นความจริงนี้ก็เรียกวิาว ช, ชานึ่งทีม่อยังไม่รู้อยู่ก็เป็นอวิชชา และสามัญชนทั่วไปนั้นตาก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจาะที่เป็นความจริงนี้นอนจมหมักหมมอยูในกิตสำนึกก็จะนอน ความรู้ที่แสดงออกมาความรู้ที่บังเกิดขึ้นทางอาจฉริยนะนมีตาหูเป็นต้นความรู้ที่มันเกิดขึ้นอันเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นธาตรู้จึงเป็นความรู้หลง เป็นความรู้ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อใดมาสะดับความคำว่าที่เป็นคำทังสองของรูปติจาละได้ ปัญญาที่มีอยู่อันเป็นธรรมชาติของจิตของมนุษย์พิจรัรณาย่อมจะทำให้ในปัญญาคือความรู้ที่เป็นความรู้ถูกต้อง เป็นวิชาคือความรู้ที่เป็นความรู้ริงขึ้นโดยลำดับขละในการปฏิบัตินี่ก็กล่าวได้ว่า ผู้ปฏิบัติทุกท่านทุกคนต่างก็เรามีการปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญามาดำแนวที่หลวงส่อสอน ดังใจในเบื้องตและก็กล่าวเลยว่าต้องมีตัววิชาหรือปัญญาอันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ซึ่งมีจิตอันเป็นธาตุรู้ จีไปอบรมมาแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าคุศสนี่แปลว่ากิจของคนสลาดได้แก่สามารถมีความรู้เกียดเคียด เขาดำประนีตดุริเลวมีโทษมันมีโทษดีไม่ดีขึ้นโดยลำดับ อันเป็นจั ก, กที่เป็นความจริงอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเราพูดกเจ้าเองด้วยตรงอบรมตบรรมีมาก่อนจะกลับสรู้ ทรงเป็นบุคคลพิเศษที่เรียกว่าโพธิสัตว์คือเป็นจัตติจัตจะเรรู้ซึ่งเป็นอูที่ยังคล้องอยู่เราสับเปล้วผราคู่คล้องอูติดแต่คล้องติดอยู่ในความรู้เพื่อที่จะรู้ยินงยิ่งเข็นต่อ โดยสรงบงเพ่งปรุบาลมีมาผินเวลาจะ็ันมากแม้ในประเทศที่เป็นจุติขะราชิบุ ม, มันโดยขอบสังเกตเทียนเทวทูตทั้งสี่ แก่คนเจ็บคณตาหเลยสมณะจิงได้ดทรงสลัดทางโลกทุกอย่างออกทรงพนวดดิยะเหล่านี้จะกล่าวด้วยว่า้ดยทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในศีล สุขขคดความเป็นกุศลทางกายและใจเกกบนจากการขอภัยขอเวรให้เกิดความเดืดร้นอนและมีพระไทรตั้งแบ่งเป็นในกุศนธรรม ท, ทั้งหลาย เมื่อได้ทรงเห็นคนแก่คุณเจ็บคนตายธรรมนั้นจึงได้ทรงนำมาให้่วนพิจารณาโดยน้อมธรามบารมีองค์เองว่า องเองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนั้นจะชุ่งเป็นอะไรอยู่ในโลกจนถึงเป็นไม่เจ้าจตุภัตตพระราชาเอกในโลกคุณจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่พ้นไปได้ยิ่งได้ทองปรัน า, าโมกตธรรมธรรมะเป็นเรื่องหุดพล โดยทรงอนุมานเส้ น, นประทยว่าเมื่อมีเกาเจะตายก็จะต้องมีไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายเหมือนอยงมีเมื่อก็มีสวา่างมีกางขึ้นก็มีสวัาคู่กับจึงได้ตรงหลั่ทางโลกออกสรึกบรระชา เที่ยวสว่างหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเี่อนหลุดพลนในคำนี้ก็ทรงมีศีลที่จะบรรจริงว่าเว้นจากบาปอุจลทุจริตทั้งหลายทรงมีสมาธิเพื่อตั้งประทัยมั่น อยู่ในโมกขธรรมและก็ทรงสวงหาคือแสวงหาปัญญาความรู้นั่นเองหรืแสวงหาลึกชายคือความรู้นั่นเองในโมกขธรรม จงปฏิบัติทุกอย่างตรงแสวงหาทุกอย่างก็คือใหท้ทบกับตัญญาหรือวิชาซึ่งเป็นตัวความรู้ถูกต้องรองสัจงความจริงนี้เองไม่ใช่สิ่งิืง่นอินตรายุ่ยว่า ดวยทรงมีศีลอยู่เป็นภาค พ, พื้นจะได้ทรงมีสมาธิสุภะไทยที่จังมั่นไม่เปลี่ยนแปลงและก็ทรงแด่ปัญญาคือความรู้ขึ้นโดยลำดับน้อมเข้ามารู้ที่ตัวองค์เอง ว่าที่ปฏิบัติเป็นนั้นทนยือยัน ย, ยังมีโลภ ก, กดหลงยังมีราคะโทสะโมหะืูหรือไม่ก็ทรงพบว่ายังไม่ทรงพบโบกกรทั เ้าทรงปฏิบัติใอย่างไรในสมาักของอาจารย์กดีทรงปฏิบัติเองในทุกกาคือยยาก็ดีกาเป็นอย่างยิ่งแต่ในปรเทศไทยเองยังไม่ผลนยังมีราตัตโทสะโมหะยังมีโลบหดหลงทรงน้องคามารู้ตัวองค์เอง จะทรงสราบด้วรู้เองว่าที่ปฏิบัติกปนนั้นยังไม่ใช่ทางยังไม่เศษทางก็ทรงสแสวงหาเรือยไปเรื่อย ด, ดังนี้เรียกว่าได้ทรงบำเพ็ญมาในศีลในสมาธิในปัญญาที่ยืกองตนนี้เป็นลำดับมาจึงทรงไม่หลง ไปในข้อปฏิบัติั้นนั้นยึดถืออยู่ในข้อบปฏิบัตินนั้นเมื่อยังมีกิเลส อ, อยู่ก็แปลว่ายังไม่บรรลุโมกขธรรมก็จิตจใจม่ยังมีกิเลส อ, อยู่นี่ตัวเองรู้สึกเองว่ามี ถึงว่าจะปฏิบัติอย่างไรเดีวีนใน ส, ม, สมาธิเดี๋ปัญญาอย่างไรแม้จะพุทธศาสนานี้นเองอาจมีกิเลสยังมีอยู่กิเลสย่อมจะเห็นแดงออกมาให้รู้ได้คือจิตใจตนเองว่ายังไม่พ้น ดูจะแน่นการปฏิบัติของพระองค์นั้นจะมีพื้นฐานมาเป็นอันมากและสีลของพระองค์ก็บริสุทธิ์ขึ้นโดยลำดับจนถึงทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์สมาธิที่ปล่อยวาง นอนกระไตรที่เป็นสมาธิในเพื่อรู้นี่ไปเพื่อรู้ยอมทือความอย่างรู้ที่นีก่ก็เป็นจักขุูคือดวงตาดวงยิ่งติดขึ้นในุก ในเหตุเกิดทุกข์ความระทุกข์ในทางในความระทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความระทุกข์อย่างนี้จึงเป็นสัมาทิฏฐิแล้วมาเป็นสัมาทิฏฐิแล้วอีกข้อต่อต่อไปก็นเนื่องจากมั น, นยังที่กล่าวมาในเบื้องตน้น ก็คำตอบแต่สมาธิที่บริสุทธิ์ดังกล่าวนี้ที่จะนําามให้เกิดอย่างในความอย่างรู้ที่ผุดขึ้นในตระจกทั้งสี่ได้จึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ อันได้ออออดแดก่สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้องค์แห่งความกระเสรู้คือสมาธิและคืออุเบกขาอันเป็นสมาธิที่บริสุทธ เพราะสมาที่บรรลุนั้ต้งตองประกอบด้วยอุเบกขาซึ่งความเขาไปเพ่งใส่อยู่วางกามยึดถืออลไทั้งหมดฉะนั้นยิ่งต้องผ่านพวดชงจนถึงสมาธิอุเบกขาจมพวดชง เป็นสมาธิที่บุรุษแล้วน้อมคิดที่เป็นสมาทินี้ก็คือรู้จะผูกขุนเรื่องตาคือหยางคือวิ ช, ชาคือปัญญายคือความตัวหยางก็พบขึ้นและอริสัตทั้งสี่เป็นสัมมาทิฏฐความเห็นชอบมัดแปดก็มาเกิดขึ้นสมบูรณ์ เมื่อเป็นแบบนี้แล้วจุนจะเป็นโพธิปทิยธรรมสอบประนี้ก็ขอให้ตั้งใจทั้งวัดทงบกสื์ต่อไปบักนี้จักตริงธรรมะเป็นเครื่องอดลม ในการปฏิบัติกบลมติดเในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอกน้อมนมตระการแก่ภูมิรัชกาล เราขันธ์เราสมาสมุดใจพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พ้อมทั้งจะทำหลัสกสรูสเป็นสระระตั้งใจสำ ร, รวจกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมกอรอบรมจิตนั้นมาจากภาษาบาลีว่าจิตตภาวนา พระพุทธเจ้าได้จับถึงจิตไว้ว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพักสอนคือผุดของ เต้าหมองไปกระอุปกิลิ์คือเครื่องาจมองที่จอยเข้ามาแต่ว่าจิตนี้เลิกปฏิบัติทำจิตกับภาวนา พอวิุด์หลุดพ้นจากเครื่องเศ้าหมองที่จอดผมมานันงเครื่องเศ้าหมองนั่งมาจากคำมาก่กีเลย